จะห ง, งแถวล้ก็เล่อยเกินปวั เราตากเงี้ยเท่าทันเราเป็นีเกียยวเลยเทกับคัเนากเล่กขน่เสียบ่งเหมือนกันน่มาก็เลยขนสัคนีเกียย้นอยากนออาศัย เสกหนึ่งนั่งบนเตียงตายน่าเสกเสกหนึ่งหนังหูมาตีเดียวเห็นคนอีกเพียหนึ่งงคนอื่นตัวนสักเชือกเสกหนึ่งหวังนะทความดีแล้วจะทำในตำแหน่งทีงตัวเสกนึ่งหลกสักสดา เวลาจะทำง่ายทเประจำเป็นเ en ี่ยรเนคนี่มาป็อกันต่างกันต่างคนต่างเมี้ยงนนั่นนี่เละเพราะว่าเพลงนเพลงัอาจจะทำไม่สำเร็จแบบเลกมีเวลาไม่อยากทำแต่ก็ไม่บอกให้เล็กอย่างเงี้ยือดอย่าอเงี้ มันดีไปลอย่างเสีม่ไปเลอย่างแต่ถาจิตอคนน่นะแสวงหาความดีมาทาความดีแล้วก็ใทางนีคนบางคนใจที่ทำถึเวลาเป็นหมดใจทำใโอกาสได้ยรงๆทอแบบนี้เน่ยย่างเฉยดเดี๋ยวไปแล้ว การนเองมีการนั่งทำงานที่เรื่องอุ่นเรื่องก่อนกันการทำงาแบบนั้นเราต้องบงกับงทางางเขาแต่อยู่เฉพาะเรื่องของเขาต่อต่างเรื่องของเา งานก็ดอยู่แล้วเรา่กัสะอดทีเียวั้นนนะมาประดับกายาจาจของตัวลงจากในสลาดสมดากของวเราย่างยิ่ลยทุกวันนี้เข้ลาด็นนี้ไปแล้วทนิพพานไปแล้วทำอย่างไรเรา้องท เยอะต่างๆให้ตกไจมันเป็นาที่ของทุกท่านจะต้างศึกษาการปฏีบัตความสะอาดดีสาระขัดหลายกิเลสปัญหาใ้เสด็จปิติปัญญาสิ่งในตัวนั้นมันจะมีหลายขั้นหลายตอนทางศาสตรเสนี้่าบอกว่าตัญญาก็เกิดขึ้นได้มันมีอยู่สางใน ที่ในหนึ่งส ต, ติปัญญากัญญาอาศยการศึกษ า, าระดับกัางจากคนอื่นจากตำรัก ต, ตาราสติปะในเรื่องต่างๆให้เขาไปเยาวสติปัญญาปัญญาเป็นเรื่องแก้ไขการโง่ควาเชื่อเสียต่างๆให้รู้จักสิปะปัญญานีย จรินเห็นจริงยินจากจิ่งต่างๆนาี่กาที่แกนาเกิดปัญญาขึ้นมีปัญญาเกิดสิ่งจากการฟังปัญญาเกิดสิจากการคิดภาวนาม่ยากปัญญาเกิดสิ่งจากการอบรมจิตใจดูทางจิตทางใจทั้งเปนแห่งสงบ เงคยบขรุขจิตจิตไม่ได้เจอมาสิ่งต่างๆให้ทาบให้เห็ น, น, เ, ยยนเกิจิตใจลาทอนทาค่องจิตจิตเปนีเสืยิ่งใหญต่างๆให้หลุ ด, ดลอออกไป อ, อย่าาวนาในปะัญญามีเป็นาทางเกิดปัญญาส้หรับขบัดเลยจเงมีปัญหาแต่นีเสทาง ไปจากภาวนาวิักปัญญามือนกังสาระ <c oughs> ปัญญาเสือาาขินจานกการพิจารณาธาตุขันธ์ใคน่ที่พิจารณาธาตุขันธ์รูกายของตัวเทวายคนนั้นจะมีปัญญาสำหรับรักษาใจของตัวนี่ย <c oughs> ื้อในใจในสิ่งต่างๆตามเจริงในยึดถือ ม, มีคิดที่มานะความเห็นผิดความถือตัวต่วังๆแล้วการที่เจ้านาเปล่านั้นด้านาที่จะทราบร่วงขอ ง, งกิงต่างๆตามเป็นรินได้กายของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะมันเป็นปัญหาทั่วโลกแต่ที่จ้านาตายทั้งตัวถึงมันก็รู้ ตลอดไปในโลกในหลัตามในโลกอยู่ตัวโลกอยู่ตโลกอยู่นิพพานหากที่ใจนาแยากทายเข้าไปมันจะเคลื่อนไหวตามของจิตจิดได้ต่างๆดังนั้นการที่ใจนาตายยิ่งเป็นทางเกิดปัญญาสามารถละท้องความเชื่อเขี่ยออกจากใจได้ กายของเราก็มีอยู่ตลอดการตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนกายอันนี้มันมีอยู่ไม่ได้นี้ไปไหนจึงเป็นทางศึกษาให้เกิดปัญญาแก้ไขขัดเล่าเรื่องกิเลสปัญหาง่ายความหลงของมนุษย์ทั่วไปก็คือหลงกายเขาจะว่ายิงหรอใช้ แต่นึ่นแบบนี้ว่าเรื่องนีมนคือเีเรื่องต่างๆนี่คือการสำคัญในจิตในใจโดยเราสมมตินะแสนมาจากคนอื่นเราสมมติอย่างไรเราก็มาติดข้างอย่างนั้นโดยในเด็กจนอยาทั้งกายในยอดคาย ขันทหตที่เาเ่งรางกายกายอันนี้เป็นผีสั่งของคนมุเป็นผีสั่งของแม่ของขนเป็นผีสั่งของกิเลสปัญหาแล้วแต่แติปัญญาแล้วแต่เราจะน้อมไปสู่เรื่องอะไรจน้อมไปในทางกิเลัหาก่อเสริมควมสวยงามแบบงานอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้อยากจีบอยากชิ หลงไหลใส่สันเป็นอายุเหมืนนั้นในกายเหมนั้นทาจิตทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายท่หนได้ตามการตัถนาของตัวได้มาก็เป็นภาระดูแลรักษาอยากจะเสง่ยมเส่ยานจเสอมเสื่อมเสื่อมใจหนีเจนเรื่องของคนทั่วไปที่มีกิเลสปัญหาในใจ ยึดนถือมเป็นตวอย่างนั้นนี่คือทางที่เจ้ามาให้เกิดี่เลสปัญหาให้เกิดความยึดความถือความหวงเนหวงทั้งตัวการที่เจ้ามาทางทร้ายีิเลสปัญหาจะตรงกันข้ามที่เจ้ามาเรื่องกายมาโดยไมกเป็นหญิงเป็นชายมโดยไม่รัก ส่วนนั en ely, ้นเป็นนั้นส่วนนี้เป็นนี้ที่เจนมาให้เข้าถึงเกิดความจริงของงานแต่ที่เจนมาทางอสุธาอรุพันธ์ทามในเสื้ในงานมันกิดาพิี่เจมาได้แล้วเลื่องของกายของทุกคนในแบบผู้หญิงผู้ชายเหนือ่าระนักเลือดมันเป็นตายเหมือนกันเของเหงาของเหน็นของตระกูลเลือดไหลออกมาทางหูทางตา ทางนห่ว่าทาะบานใดาเรไห ล, อ, ลออกไปจากตาวของหมดคุ้ค่าเป็นของถือเงาถืเน้นถือปฏิกูลทางนั้นของดีดีเสื้อผ้าเอางมือโฮมมันก็ยัแาางแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเอาเสื้อผ้าเอาเสั้อคลคความตกกระโปต่างนี้ชักได้หลาง มู e aro, เลื่อยในอย่างนั้นก็เน้นปากเน้นโขงกันอาหารการขบขันหรือกินของเราอยู่ในถ้วยในจานตบบนี้กินหนาดมดูกลมกล่อมรังเกียจเห็นเท่าแต่อยากยิ่อยากกินก็ถือว่าของนี้เป็นของไม่วสกปรกเป็นอาหารแก่ถาดแก่ขัน จอมือจกเราท่านนะใส่ในตากเดี่ยวเขี่ยไปถูกกับเนื้อซันกับแั่ลายข้งเราเข้าเลยไม่เห็นตั้งหากคือยืมได้ต้างหากคลายออกมาตกใส่ตาจมัดเกี่ยวจารตก่วตามแล้วม่สามารถทา่จะยืมเข้าไปอีกได้ยิ่งยังไม่ถึงท้องเพียงแอยู่ในตากมันไป็นกจุกแล้ว ยิ่งเราไปสู่ตัวข้าวอาหารไปสู่ลำไส้มันเป็นอย่างไรเราพิจารณาไปเห็นความสดกบกของมันนอกจากนั้นที่เราหลงหลงแบบนั้นัวนเง่งเง่งตัวาวใเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายไหนว่าผู้หญิงผู้ชายฐานะมันมีนเลือดมันก็ในหน้าดูมันมีเลือดอยู่เนี่ยมันแดงมัน อย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นมือจังใจกว่าหลงเลือดจึงเป็นของสุกโ ป, ปกเหมือ น, นาบนนาดเหมนใจะตายตาถ้ามันเดได้ไปที่นั่งที่นอก็ในหน้ า, น, า, น, า, น, า, านั่งน่านอนใจที่ไหนใช้เท่ากัารังเกียจเพราะเป็นของสุกโ ป, ปกเจ้าเมืองนี่คือการที่เจ้ามาในทางอสุภะหรือ ท, ทางไหนเสือ่อไหนงา เหื่อยพิเยนาะจิตามอยู่อย่างนั้นถูกใจนั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นจิตใจสุดเราท่านมันก็ะของของและในทางราคาปัญหาหนึ่คือทางพิเจอมานะทางอสุภะพิเยนเาทางอนิจังต่าพิเยนาต่อสิ่งเหล่านะาี้เนะมืนน่อมืองเกิดเมืองยาเกิดมาแล้วมันเกาะ แต่เปลี่ยนไปตามธรรมดาของมันไม่มี ใ, ใครจะมีอำ น, นาจหลักศักบังคับบัญชานั้นได้มันเป็นไป ต, ตามสภาวะของมันแล้วจะขวบจะฉันจะอยู่จะชิ้นจะนั่งจะนั่ขนาดไหนรักษาไม่ให้ควาแต่สภาวะของมันนั้นรักษาไม่ได้มันจะแกไป ต, ตามเรื่องของมันในแบบอะไรทั้งนั้น คี Không th những ó, ่อยู่ในกายผมของเราที่เคยบกบางนนเข่ามันจะงอก้อขาตังทีแน่นตึงอยู่นา่นเข่ามันจะโยกข้อเท้ามันจะรุดกระเด็นออกไปเหนื่อยนั่นทีเป็นสั่งมันก็ยอมใจยานในตามการตามเวลาของมันที่อยู่คือเรื่องอันจังของขันอันจังของกายนอหญปงหรืชายหราใครทั้งหมดมันเป็นยิงดังนั้นมนมีอะไรที่จะ คนยึดมั่งถือมั่งนั่นสวยนั่นงามก็เชื่อระยะเวลาหมืนกันกระดอกไม้ย่ำดานออกมาตอนคช้าจนเย็นมาตัวเงาจะเหี่ยงเสื่อมจะโรยใจขาดขันก็เสื่าไรทันแต่ทำาเดียวกันในเคลื่อนที่จะยึดมั่่านั้นสวยมั่นงานอย่างนั้นอย่างนี้ในเคอที่จะได้ยินดีชอบพอกับนั้นม่การที่จะมาเรื่องอนิจจ พหจารณาเราเป็นธาตุมันก็พิจารณาได้ให น, นว่าผู้หญิงผู้ชาย่และนักเหยื่อ้ครวะมีกายเน้นกันกายอมนี้ก็เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ที่ทเรามองเห็นได้ถนัดชัดเจนคือธาตุดินธานุน้ำธาตุลมธาตุไฟต่อจากบินยาสู่ถึงธานุหกธาเหล่านีา้ <c oughs> เงินผสมประสานกันเข้าก็คือว่าหญิงวัยชายว่ะจัดว่ามุกควรความจีนธาตุอันนี้นั่นในเคยยินดีชอบพอกับความหวงแหนของจิตถึงมาอาศัยอยู่ในธาตุในันอันนี้่อันนั้นเป็นราอันีเป็นของของเราแต่ธาตุอันนี้นันมีหน้าที่เปลี่ยนสภาพของเงนใจผที่สุดเงจสลายลงใจคือธาตุเดิมของมัน จมีไที่จะมีความส้ายแรงบางทัตบางชาอะไรนั้นเปลี่ยนสภาพลงไปอย่างนั้นหนุ่มเพื่อี่จารณาเรื่องของธาุ้าตุิตโฉชัดเจนว่ามีเป็นกล่อของมีของเงี้ยขอทั้งไฟยิงจังในเฉยสัตว์ในเฉยบุคคลโอเต่าจนเราเขาเป็นจิต่าตุของโฉมนอยู่แล้วกะจะเสียหายลงไป การหาที่ของมันอย่างนั้นการที่เท็จจรินอย่างนั้นมันก็จ ห, หลงไหลไหวสันในเดียึดมั่นว่าศาตร์ว่าบุคคลเพาเป็นถ้าถึงหลงขนาดไหนมันก็เป็นไปอย่างนั้นรู้ขนาดไหนมันจะเป็นไปอยู่อย่างนั้นแต่ผิดการคนหลงเกิดทุกข์คนรู้ไมเ่เกิดทุกข์เนื้อศาสตามสัพหของมันไม่มเกิดทุกข์นี่คือปัญญา เกิดขึ้นมาจากการศึกษาการที่เจรนาจะรู้จะเขใจจะวางได้จะต้องอาศัยจิตใจของพวกเราท่านนั่นคงไม่วอกแวกเอียงไปตามย่งอารมณ์สัญญาสมมติทั้งโลกที่ต้จะตั้งนั่นได้จะต้องอาศัยศึกเรื่องธรรมาสิ มมเป็ความหมานักแน่นของใจความหนักแน่นของใจจะเกิดขึ้นนี้ขึ้นก็อาศัยการฝึกการจัดทําไม่ใช่ว่าอยู่ๆจิตใจของเสวยเราท่านนันก็จะนั่งคงเองมันต้องอาศัยการฝึกการศึกษาการปฏิบัติถ้าผู้ใจ้จายมันก็าา ม, มีอะไรอื่นตัดรซลูตัดเซรู ในสิ่งที่มึอยู่เข้าใจในสิ่งที่มึอยู่แม่สอนพวกเราสอนสิ่งที่มันมึอยู่ไม่เหลียวมาจากที่ไหนการศึกษาของท่านศึกษาจากอาจารย์ทั้งสคืออุทยาศตร์ดาบทุจดาราศาสตร์ดก็ศึกษาจรงแต่ศึกษานั้นมีใจทางต่อระูปของพระองค์การที่พระองค์ตัอพระรูปก็ศึกษาในธาตุในขันธ์ในกายของท่าน อย่างนพิจารณาจะพิจาาสมุดบากพิจาราถงาติถึงตารางเวลาเรื่อยมาถึงอลิชาตับออกกับเข้าอยู่นะนี่มันก็อยู่ในตัวของเราทั้งที่ท่านศึกษาหรืออยู่ในองอริยสัจทุกสิ่งทุไทยในโลกนักมันจะอยู่ในกายในใจ ไม่ยุดในที่อื่นถ้าเรากําหนดลงไปนี่จึงมีการผิดแต่อยากกาหนดไปในทางในส่วนที่หมีปัญหาอาภัพให้กำหนดพวกแก้ไขกําหนดให้รู้ตามภาพภาพความเป็นจริงของมันจะีิจารณากำหนดเด็กความเหนื่ยเครียดงานกวได้บจะกําหนดเด็การ ในเขีย่ยนนงดี๋ยวอันจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนาตตาก็ถูกทิเบนายอยู่ในเนี่ยทิเบนาลงไปกำหนดลงไปเป็นดินนั่งบนไปนไปั่งก็ได้นี่คือการศึกษาการกาทิเจรนานัง่งจิตเข้ามาภายในอย่าส่งออกไปภายบบนอกกําหนดลงไปอย่าส่งออกไป ใจมเคยเฉเนเงหน่อมันจึงสงบในนักแน่นเรามขจรมีแต่ขหลอมียงเห่ใจหลได้อันนั้นพบอันนี้จะมีความสุขความสบายเหนื่อยกันเลงกเบื่อวียนยินไยิ่งจะจินันก็เพะหนอารมณ์หลงเช่นมุด้าหามรู้เชนมุดรู้อารมณ์ รูสภาพของขาดขันตามเป็นทีนของมันเป็นจิตใจเกิดความละถอนเกี่วกความยึดมั่นหรือไม่ต่างๆนั้นทราบจากการปฏิบัติของเราเองในศาสตร์จากคนอื่นแต่ก่อนไม่เคยยึดเคยถือเคยหลงเคยหลงเราปฏิบัติที่แยกมาในจิตเห็นชัด ในถาตในขันธ์ของตัวถือถึงแถวนั้นอดีตผ่านมาปีแสนกีล่านปีมั่นก็เป็ น, นอย่างนี้อนาคตยังยางมาถึงนั่นก็ทำในเรียวกับประจุนบันที่เป็นอยู่ไม่มีอะไรที่เป็นตาเต็นหยุดคนที่ม่นเหล็เกิดทุกข์เกิดโทษอย่าเป็นทั้งตนที่มารู้มาใครใครชัดเจนจนละความยึดถือในธาในขันธทั้งตน ขาดขันของคนอื่นในตัวจะขุดถึงถอยละขาดจากขาดจากขันทั้งตัวได้อย่างนี้หินที่ไหนอนี้ชายที่ไหนสมมติขึ้นแล้วก็ลุ่มหลงกันไปตัคบปโนหาตัวจริงไหนได้ตัวจริงมันเป็นอย่างไรเราพิจารณาในกายทองไราในขาดขันขางเราในกระรู ความจริันเป็นอย่างนี้นยังมีอะไรที่จะหนาเฉ้ใสยังมีอะไรที่จะหนาละหนาสบายใจเราไม่อยู่ไม่าดไมขันกลัวเมื่อการจะไปเราตงไปในถังขยะยมีที่ไหนสะอาดเฉยนะแตจิมันก็รุนแลงในจิมัเป็นหนอนยังชอบพอของสกปรก มันจริอยู่ได้ถ้าจิตทราบเข้าใจตามเป็นจริงเท่านั้ล้ะนไมแน่อยู่ในหน้าอาศัยและธาตุขัก่อนนี้มันเป็นพาละใหญ่สำหรับพาละหาเวเปันจากทขั้นทาขันจังหาเป็นพาละหนักหนักจางไรนะถ้าไห่พเจาราจะถือว่านั่นมีหนักหนาอะไรนั่นสะดวกสบายแต่ถ้าพีจารณาแล้ว แงหน้าจะรู้จักายนเานี้มันจะคองบาหนักเอาจริงแขนขาาเกิดหมดกลังขึ้นมาวไขงนานเท่ามันจะยกในขึ้นันนัองเบาหยูดจับแน หนักเป็นภาระที่จะหาชิมต่างๆมามาลงโยนรักษาเนะแต่ว่าเกิดมาตลอดเป็นบันของขียวอเน่ะไม่ม่หงุไม่ืมไม่ชินถ้าเจ็บเอาไว้หูมันมากนายเลือหูุเลือดตาแต่ทั้งตลาดคนเนื่ยเนาะอาเงิานเงินผนทานเสร็ไปแล้วก็ถ่ายที่เอาไป แต่เกดเอาไว้มันมากแต่มากเป็นภาระหน้าที่ที่แสวงหามงินด้วยเงินแต่นั้นก็เป็ฟังเสียงของเราเราลักเงนเราต้องเงินลักมงนยืเรื่อยไปแต่มันเยลักเราหน้าที่ของเขาจะใจจะเท่าต่เหน่ยจะเป็มพอเป็นไปตามเรื่องั้งนันรักษาเท่าไรหายอันนี้อันไหนเกิขึ้นหนี้คือเรื่องของ รูปประคันเวทนาขันนะเจ็บปวดมักวนนักมันเสียเรื่องเสียเงนเสียทางเสียาเสียของไปเท่าไรเสียหนึ่อยู่สิอยู่จะไา้นี่ใจมันยังอยู่แต่ยังเสียเวลามันเจ็บมันป่วยมาแม่มีอะไรที่จะทำให้สุข กายสุขใจสําหรับคนโดมีธรรมมันเป็นอย่างนั้นเข่าค้องเงินทองจะม า, ากไหมาตายกองขนาดไหนบริษัทบริวารจะมีมากขนาดไหนไม่มีใครจะเขื่หรืออะไรได้ เ, เราเก็บก็เป็นเหลวเราเจ็บอยู่คนเดียวเนี่ยทนทุกข์อยู่อย่างนั้นคนอื่นเข้ามาเต่าดูจะเช่ยได้ไหมไมนใหมยาแต่ถ้าหากาาาออเราหายเป็นคนเป็นยาพิษใช่ไหม ที่ะแบกขังอยู่นั้นมันเลยทุกเลยลำบากเวทนาขันมันมีอยู่เด็กกันทุกคนไม่เอาาวะหรืบังตาิดไนเบื่อเรื่องเวทนาแต่เวทนาอี่งว่าเป็นสุขนั้นใจก็ชอบกันแต่ทั้งเวทนาดีเป็นทุกข์กว่าดีเป็นสุขกว่าดีเฉยเฉยก็ดี ตามทำานขาดขังมันมันก็เป็นอนิจจังเวทนาอนิจจ์เวทนาอนัตตาคือมันตั้งอยู่นั่นไม่ได้มันหายไปเพราะมันเองแต่ใจทั้งสองเรามันยึอยากจะรู้สุกอย่างนี้อยากจะรู้สุกอย่างนี้ทุกข์ทีมันเกิดมาเบื่อยมานี่อยากจะให้มันเกิดแต่จะต้องทับไม่ได้รักษาในฟังถึงการถึงเวลามันก็เป็นไาตามหนเนขึ้นมา ควาฝุ่ที่เอบมันก็หมดไปหายไปความเพลิดเในฉอบมันก็เกิดขึ้นมา็นที่ฝุดฝุ่มันก็ฝทุกเมืได้ฝุ่นจิตหมายเท่านั้นก็คือความตามันเป็นเดียวกันเท่านั้นมีเรื่องของเวทนาฝุ่ทุกเฉเฉยมันเป็นอนัตาไม่้าบังคัไม่ได้แต่จิตของเราไม่รู้ไม่เข้าใจจิตไปยึด สิ่งที่เธอชอบจะตัหาสิ่งอยูตัวไมนะ่พอใจนาะเพิ่มทุกข์เพิ่มอีกทุกข์งกายจะมีทุกข์ของใจก็เพิ่ม ข, ขึ้นขาดตัญญาขาดธรรมะภายในขาดที่มีธรรมะท่านเข้าใจตามเป็นจริเทอานั้นอันนี้มันเป็นขันธ์อันหนึ่งคือทรานาแต่ที่นี่รู้ขันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องของของขันธ์ เป็นอีกคนหนึ่งตั้งห่าคนหนึ่งตั้งห่าผู้เจ็บผู้เจียผู้เป็นหนุ่มเป็นอีกคนหนึ่งผู้ถือ้เป็นอีกคนหนึ่งคนนี้นม่มีเจ็บนม่เจยวไม่มีตายแต่นั่นหนูเห็นน่ละปกติคนธรรมดาพราะครหนูเห็นนี่แหละเกิดทุกข์เกิดทุกข์เก่ดทุข์คงทักเกิดใดจึงมนเห็นถ้าไม่เคยที่เจานาไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏ่บัต ไอ้ใจแกจะเท่าขนนดไหนนั่นจะยังเห็นยังเหวี่งยังเหนรู้ยังเห็นความเป็นอย่างนั้นขัทธ์เท่าจิจจึงมาเห็นมารู้จุแต่เพ่อเป็นจีทขันเห็นทันธ่ใส่ใจชัดเจนแต่อันนี้เป็นขันธ์อันนี้เป็นจิจสัญญาความจนได้ไหนรู้ต่างๆก็ทำงานเดียวกันนันเอาเพียงเอาจังเได้บางเพียงจะจาได้บางเพียงจะหไป ถ้ามันไม่อย <tr> <tr> ่างนั้นอกแตกตายอย่าไปคิดว่าจได้ทุกอย่างมันจะดีนั่นไม่ดีเพระความเชื่วความเสียที่เราจำได้นั่นจะนี่ยห้มไปจากใจนัจะให้ทุกให้ทกเพราะทุความเกิดมาในใจใจผลจาถนาทุกสิ่งทุกอย่างไปเขาชม ใจสั่งละเส้นตรงนี้เขาทำหนี้มทานี้ขทีีาทไม่ีห้ตงทุกอย่างหมันเลยลืมไปละอกแตกมีัลมันลืมไป่ใจว่ามันเู้ตลอดเวลมันลืมไปเหลืไปจะสญาอนตตาบังคับไม่ได้สญาอิาคือค แต่สภาพของมันเหื่อยใจมันเป็นขันอันหนึ่งภายในตัวมหน่ะรู้จะนาถูกแต่เพื่อปฏิบัติท่านจะเข้าใจเพราะท่านที่มีจิตาภายในตั้งขานความปรุงท้องใจมักดปรุอยู่ไม่เลื่อยไม่มีใครที่จะมาปรุเหลือยท้งใจเป็นอย่างนั้นนอกจาก หลับสนิทเจิดเวียนถ้นที่มันจะหมายถึงอะไรเนยมันเป็นการเป็นแ่ไหนไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันถอนก้นเอาต่ต่อเน you, ี <c ười> ่ก okay. ันเิ็นการคิดเป็นธรรมดาของมันแต่ท่านในหลวงสำหรับผู้ปฏิบัติผู้ขอที่อาจทุ่ทางจริงจังยืนยันความรู้ทางตาทางหู เกิดไปกระทบกับหูกับเสียงหรือทางใจหนุก่กิาดไปกระทบกับกลิ่นนันก็มีอยู่เป็นธรรมดาแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ดับไปหายไปทุกสิ่งท้กอย่างในโลกมัน้บนบอกชัดเลยอยู่แล้วเราไม่มีอะไรคงเป็นคงอยาแต่เรื่องของเราันไปยึดไปถืออย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นันจึงผิดอยู่ตลอดเวลาหาแต่ทุก แต่โทษแต่ใ จ, ua, จมาเขาตัวเองเพราะความยึดความถือผิดผิดจิตไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขขัดไล่ความหลงของใจความเหนื่อยบอบของใจนั่จึงเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดตัวเรื่อยมานี่คือคนที่ผัดการภาวนาการศึกษาในตัวเองหลงตัวเองก็ไปหลงคนอื่นผัดอื่นหลงโลก ในศาสความจริ ง, งาาทุก ข, ข, ข์หนึ่งภาหัสึกดภารมาสำราญใจเท็จซื่มีสติมีปัญญาคือเรารูอยู่เสมอรู้อยู่เสมออะไรเือดขึ้นแทนที่จะรู้ในขณะทีเกิดลูกยางแต่ละชิ้นจะรู้เหมือนกันต่ใจไม่บานทังเรกเพร่ะมัน จิตเขานิ ca, ่งหน่อยงม่นก็ดับได้หรือเขาจะมาจิตมาเผาถึงรู้เราก็ขับไล่เส้นนี้มันก็ไม่ได้เผาไม่ได้ดับไม่วันเดยจุดในเผานีสติของาเรียเจ้าก็ทำเงาเรียกกันถ้ามีหยุดทุกระยะไม่ได้ขาดรักขาดตอนนี้ือกเราตัวไอ้หนเพยาบาลทาพลา หลับหูหลับตาเอาจิเอาจัแต่จิตนั้นเ่งสายด้วยตันปัญญาอารมณ์ที่ไหนเจนมันเหนืหนื่อยหวยหกขึ้นมาอ๋หอหนูรอแมงมาแล้ว น, น, นะพายามานวแล้วจึงควรจะหลับจะนนเพื่อแต่ความจิ้มจิตใจนั้นนั้นอยู่ในอาจในธรรมหรือไม่หันไปคิดไถ่เรื่องน่ง อ, ออกจากธรรมนี่คือ มันขาดรักขาดใจของสติมันหนีไปไหนซัจนกจะมันกลับมาเองยันเหน็ดเหนื่อยแล้วมันกลับมาเ อ, องรอกัมาเองถึงตาพอทราบหลงกินเหน็ดมันก็เกิดขึ้นหลงสัดญามันก็เกิดขึ้นบอกว่านีง่างานแล้วควนแล้วรำไรฉันจะทำต่อวันนี้เห็ดเหนืยอะไรอย่างไง มบอกไปหหมอ่งเชียหาหลับมางานเชียความที่จมีใจของเราหนุนภาวนามันมาอยู่กับเรื่องเคร่งอัดคร่งทำมีนย่้มยิ้มเตลิามทุอย่างอารมณ์ของออกเราจะไม่ยอมหลับยอมนอน่ากันไหนที่เจมาหาความสสุขได้เรามาจับเถิดเตลอืนร้อน หลอกตัวเองจิตมาอยู่กับเิียงกับทำอะไรวิ่งไปตามเยี่งเครื่องโลกถ้าเราสอตัวขึ้เราเรารู้ตัวขึ้นเรอย่างนี้มีปัญญาสอนตัวไม่เชื่อเรื่องงานไม่ต้องยือแบบงานเลยนะวองเชื่ก่อนตอนเช้าคุณก็ทำหน่อยไม่ไม่เชื่ออย่างนี้เชื่อทํำทำสอนทำวุฒิเจ้าเราทํา ถความสงทำเถี man, uh, comen, ่วความมีความเห็นทเถ่วแจกไขทับไล่สิ่งที่เป็นคิดเป็นใครออกจากใจในทุกยามนอนหลับตาพรงมาหาคือเดชันหากหาขสารอะไรเ้าจะตัเต่าเหล่องสัญญาอารต่างๆออกจากใจ ที่เป็นเตาในทางชั่วทางเสียโอเคแน่นึกคิดวาดภาหลี่ยทั้งโลกจะพิจาราอะไรให้จิตใจรู้เห็นจิตใจเย็นสงบสบายจึงเรียดว่รภายงานราจหลิเราสอนตัวของเราอย่างนั้นก็ตั้งหน่รำที่ในีิจารณาตอนนล้ใจเท้งตัว ตีวตีเสี้ยต่างๆให้โตอกไปนี่คือการอย่างภาทับไหลอย่างจีเรตันหาออกใจใครมีสติใครมีปัญญาเข็นละใส่ฝใจทั้งตัวอย่างนั้นจีเตัหาไมกลัเพราะใจมนีหน่ะเสี่อันเดียวแต่ที่มีติจงมาเรื่องทั้งทำละเรื่องทั้งจีเรตันหามันก็เลสายหน้าที่จะโทรมาเกี่ยวข้องไา ไปเกี่ยวของกันเรื่องนอกเรื่อ ง, งอที่มีปัญหาทำน่ะั้ก็หมดไปเพของคนเดียวจะไปสองทางเลยไ ด, ได้จะไปได้ทางเดียวแถวนี้แต่นั้นเป็นสำคัญจริงคืคอสติคือปัญญาถ้มีสติรักษาเรู้ยงดูอยู่ตลอดเวลาอารมณ์อะไรเกิดขึ้นขึ้น มืจมาคว่าอันนี้เป็นอารมณ์ที่จะนำความเสียหายนาให้ง่ายเกี่ยวยดใจง่ายง่าใส่สันี่หวจัดอาจจากทามีสติมีปัญญาง่ยสอนใจง่ายลงตออกไปเพราะเราไม่เชื่อมั้ยมันเกิดมามันก็ดับ เพราะมันไปเองทางเิตามนี Gente, educator, ่คือการศึกษาการพิจาราภายในการดูใจทั้งตัวถ้าดูใจทั้งตัวเั่วตัดเ่ทั้งตัวตลอนั่นเป็นปัญหาอะไรสำหรับโลกนั่นก็อยู่คนมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ควรดึงคนนี้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่หรอเดือนตีนาทีเงิ มีแต่ใจเราเกิดนี้ไม่มีไม่ต่างใจไห น, นจะอะไรสมมดอันนี้เราตายไปยไปในใจเราจะหอบพี่หัหกแหนเร่องทั้งโลกไปได้่เคยมีอย่างไร น, นจะเป็นไปตายมาที่ใมันมีอย่างนะแต่ความสําคัญหนึ่มห ล, หลงของใจมีนเป็นเรื่องสําคัญจึงอาศัยกามที่มิจฉาเนื้อ เ, เรื่ความทะลุของใจอย่างนี้ กาบแลมองดูอะไรมันก็มองเห็นนมันก็ับแนวสงบเรามองดูแนน้าเราเราจะมองเห็นไดมีสยมีเสี้ยวที่เท่ไหรอะไรติดหน้าของเราธรรมดาหน้าของเรามันอยู่กับใกล้กับตาจไม่เห็นต้องฟจะจกเงีะฟังนั่้ีสายะอา มันจึงจะเห็นได้ท้งที่สตาเขาอยู่ไม่แน่ฉะนั้นมันเนนี่จิตใต้องหาก็อยู่ในกายในใจทีงเราแต่เราเป็หน่วยเห็นใจของเราหยอกแยใจของเราวายยุ่ใจของเรานหยุดในนิ่งในสงบมันจึงเห็นอะไรทัดเตนให้ใจจึงแก้ไขขับไล่สิ่ง้องใจหมอบจัดใจในได้ก็ ทุกเกาะเทวดาตัวยึดนั่งนั่สําคัญว่าอย่างนั้สัมัาอย่างนี้มันเลยดเกิดทุกเกิดเทเพราะนั้นเรื่องจิตสงกจิตมีสมาธิการที่นิจเจนาสิ่งต่างๆจริงเกิดปัญญาเห็นจริงได้ละท้องได้ตกล่ได้แล้วก็เลยพิจารณาอะไรอื่นพวจาา เรื่องขาดขงขันของกายแถวนี้สนสนก็หลงก็หลงอันนี้แสไหานะไ่ดพักลับนอนยิ่มยอยู่ตลอดเวลาได้แน่จ้วยหานะเผื่อเรงขงกาย่เผื่อเงงใจนะคนที่หลงกันมาเผื่อเรื่องขององกายแนี้่านใหญ่โตแลยหัวแทน หมดมันจะร้านส้างขึ้นก็เพื่อจะให้ใจมันอยู่มันอาศัยใจใจมันมองข้ามไม่ได้สั่งให้มันแต่มันเดือดร้อนเวียนว่ห้ติกขวอญยึดถือสิ่งนี้ิงนี้เราเคยทำร้านสาวฟังเคยสั้งทำไหะใจใจข้งเราไหมใจของเราไม่ที่สิ่งที่อาศัยไหม วิ่งฟังเตัใจใหจใจใคอาหารใจใจมันหหิวมีอาหารจิ๋มเหมืานะจึงทนอยู่ก็อยู่ตาสาราสวงใหญ่ตและหัวฐานขนาดไหนมก็เล่มีสุขใหมีอะไรเพียงพอขนาดไหนใจก็ได้เสพทุกิดโทษมหนื่อคใจหมดอาหารใจม่มีที่อยู่ที่พักถ้าใจยังหา ดูแลใจเครงตัวดูแลใจเครงตัวถุกไเโยนใจเทรงตัวให้สะอาดให้ฟองใสให้หมดวิเลตตองแหย์ภายในถ้าพูดง่า้าเรือริยาสาวกท่านอยู่ตามป่าตามเบงตามเด่นใ้ทายเขาอย่าได้มีติดยางหนังส่งใหญ่โตไร้ฐานอะไรท่านก็สุขใจทั้งท่าน พอใจท่องท่านมีที่สุ่งที่อาศัยใจท่องท่านมีอาหารคืออัตธรรมบริโภคเมื่อไม่ข้าวเรื่องของใจใสถุงบน้าจะใหญ่เข่าของจะหนาแน่นจะไม่สุกไม่้าบะพใจหน่มีที่สุ่งที่อาศัยใจมีอาหารบริโภคมีทำอยู่สึกได้ซาได้สงบ ก็พระเรื่ อ, องท่านรักษาใจทั้งท่านมีอาหารันให้ใจทั้งท่านบริโภคมีที่อยู่ให้ใจพักผ่อนเรามีสนาธิมีปัญญาคิดถึงอะไรขึ้นมาก็แก้ไขในหนใวใจวังมีบทบริสุทธ์เราสุข ปฏิบัติแต่ถ้าเราดังมีความเชื่อความเสียในตัวอยู่จริงสุดจริงปฏิบัติถ้าหายมันหมดอะไรที่เป็นไข้แก่ใจแล้วมันก็มีมสุดปฏิบัติอะไรเหมือนกันกับคนไข้สัาหายยามันก็จะมีความเห น, นหื่อยเพาเหตุใดเพราะยานั้นเ ท, เท่งเพื่อแก่โรคไข้ใข้เจ็บปัางหา ทำมีโรคไขยแล้วยายังโก น, นหมดยุงข้างหน้จะไปหายมาทำไมหากหายไปทำไมเ้าโรคไข้หนีหนีฐานะของมุอร์้ใจเจ้าส่ยังมีอยู่ในโลกกูพ่อสารโลกถ่วไปยังเป็ น, นคนไขย้ยังมีโรคไข้คือกิเหล็กปัญหาเรืร่อกับกินิตใจทำจินสอนเอาไวง ก็จะได้ขับไล่แก้ไขที่เหลือปัญหาแนวทิศี ต, ต, ต่างๆนาน า, นาออกไปจากใจ้าใจหมดปลุกใจขึ้นหมดที่หมด้ัญหาหมดทุกหมดช า, ม า, ด า, นนตมาติาทำไมถึงไปไปจ่าสอนกว่าจมีสาราประโยชน์อะไรเพราะจิตใจตองทันในยุ่งเหยิงในจิตข้อง เ็นเ่องของกิเลสปัญหาแต่นั่นส่วนเราท่ทาท่ยังโลกภัยของใจก็อย่าไปมองข้ามความสุขความส บ, บายนั้นมันจะอยู่กับดั้งวัตถุถ่ายเดียวมันอยู่กับใจของเราเป็นพันธ์ท่านล่านั้นจะเก่าก่อนท่านก็เคยจิตข้อยึดถือมานหมนกันกับพวกเราแต่ท่านพนะิจอมา เอาทํานะมาสองดูว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่แล้วนั่นมืดแล้วก็เนื้นอกระพริบแสงสายมาสองตะคุบไปเรื่อยถอห้มันหมุนเดิมหลักเดิมต่อตกลงตกล ง, ง, งก่อถูกอะไรก็ขวากไปเรื่อยถูกกล้ามมันก็ไม่ตกลเขาเอา ว่าม yeah, so ันก็มุ่มนกอนนี้ไม่รู้แบบนี้ทำเมเดียวฝันจิตใจของเด็กเราท่านยิงเม็ดยิงดอกก็ยิงนหางแสงสว่างคือทำนี้นะจุดขึ้นเพื่อจะให้เห็นว่าจริต่างต่างนั้นมีต้นแยบอะไรสิ่งที่มันเป็นไทยลราตัวแต่เราเห็นว่ือนนี้ได้ เหยียบได้เดินได้เหยียของใจจนเป็นเหงายกายจริงๆนไม่ยีอะไรเหของกาของกี่ไหนมันเป็นเหยียเข้าคอเหยเียบอันน้นีไปแล้วแต่ความจริงมน่ห็ตอนจะเหยียบทำ้เห็น่าน้เยียบอ หนอยเทาเหมืนเขาเกิูนอย่างนี้แต่ใจมันเหมือนเสวี่ยงนะมันเรียงได้มันตาได้ที่อยู่ที่อาศัยที่นั่นเดินใจจรินใจเหมือนนี้ฉันจะได้จะได้ที่ไหนที่ไหนเหมือนคนตายมัน้าได้มนไมเด่นหนี่งหนึ่คนเก่งเหมืนฉันนะฉันเป็นคนมีรถตัดหางนะมีความดีขนาดนี้จะอาท่าย่างน้ไม่ได้มันไม่เคย หนีไปหนีอย่องท่องกายจะไปสั่งก็ได้เท่าก็ไดาเดินน้ำแข็งวัดเดินจิตนั้นไม่ดแสดงอะไรอย่างร่างกาจริงจันั่นนี่ตั้งใจอะไรนั่นนล่ไปไหนผาดอะไรลงไปผีผาดอันนั้นแต่รื่างจิตใจของเราท่านนันสำคัญท่านนั้นหมายนั่นของ เชือของเสียนิยมแบบดีส่วนใหญ่แค่นิยมแต่ในที่เรานาอะไรก็ดีตางเขาไปทำหน้าของพระเจ้ามาเป็นอย่างนั้มีเหตุมีผล